เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นคุณโมดเพิ่งจะอายุได้ประมาณ6เดือนคุณพ่อซึ่งเป็นคนจังหวัดนครพนมแต่ว่าคุณแม่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีโดยปกติแล้วคุณพ่อและก็คุณแม่จะอาศัยอยู่กับทางบ้านของคุณแม่ พอมีลูกด้วยกันทางบ้านก็ให้แยกกันอยู่ครั้นจะไปอยู่กับทางบ้านของพ่อก็ไม่ได้เพราะว่าทางนั้นก็มีญาติพี่น้องเยอะเช่นกันคุณตาก็เลยบอกให้ไปอยู่ที่บ้านที่ทุ่งนาซึ่งห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลก็จะมีเถียงนาโลง่ลงๆที่พอจะสร้างที่พักได้คุณพ่อกับคุณตาก็ช่วยกันสร้างกระท่อมเล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งพอเสร็จแล้วก็พาคุณแม่กับคุณโมดที่ตอนนั้นอายุยังได้ไม่ถึงปีได้เข้าไปอาศัยอยู่ คุณพ่อซึ่งเป็นคนต่างถิ่นไม่รู้จักกับใครแต่ว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งรู้จักกันตอนที่กำลังทำบ้านเป็นเขยต่างถิ่นเหมือนกันนะคะก็เลยได้สนิทสนมกันเร็วขึ้น คุณพ่อชื่อว่าพลส่วนผู้ชายที่เป็นเขยบ้านอื่นก็ชื่อว่าพลเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนร่างใหญ่ใหญ่กว่าคุณพ่อมากไม่ค่อยชอบสวมใส่เสื้อนะคะแล้วก็เนื้อตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ําเป็นคนที่ชอบลุยๆตกเย็นก็มักจะมานั่งดื่มกับคุณพ่อพอตกกลางคืนก็ชอบชวนกันออกไปหาจับกบ ทางบ้านของลุงพลก็จะมีลูกอ่อนเหมือนกันแล้วก็ตกตอนเย็นภรรยาก็จะเอาลูกเข้าไปนอนในหมู่บ้านส่วนลุงพลก็จะนอนอยู่ที่บ้านนาคนเดียวเทียงนาของลุงพลจะอยู่ห่างจากบ้านของคุณพ่อประมาณ300เมตรช่วงเย็นของวันหนึ่งนะคะคุณพ่อนั่งตกปลาอยู่ในบ่อข้างๆเถียงนาเหลือบมองไปเห็นลุงพลก็ยืนอยู่บนคันนาแล้วก็มองมาทางคุณพ่อในลักษณะยืนมองมานิ่งๆคุณพ่อก็เลยตะโกนถามออกไปบอกว่าทาอะไร ลุงพลก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่ากวักมือเรียกให้เข้าไปหาแล้วเดินเข้าไปในเถียงนาของตัวเองซึ่งเถียงนาของลุงพลก็จะดูทึบๆหน่อยเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้ล้อมรอบจนแผกลกิ่งก้านดูรกครึ้มไปทั่วบริเวณพอคุณพ่อแค่เดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็คิดว่าลุงพลเนี่ยน่าจะช่วยให้ผ่าฟื้นเหมือนทุกครั้งเมื่อคุณพ่อเดินเข้าไปแล้วสิ่งแรกที่เห็นค่ะคือภรรยาของลุงพลนอนคว่ำหน้าอยู่ใกล้ๆตัวบ้านมีเลือดนองอยู่บนพื้นตรงบริเวณศีรษะ คุณพ่อก็รีบเข้าไปจับร่างพลิกขึ้นมาค่ะเห็นว่ามีรอยเหมือนโดนทุบด้วยของแข็งคุณพ่อก็ตกใจรีบเขย่าตัวให้ได้สติแต่ก็เหมือนจะได้ผลนะคะภรรยาของลุงพลก็ลืมตาขึ้นมามองจากสีหน้าที่สลืมสลือกลายเป็นสีหน้าตกใจพร้อมกับร้องบอกพ่อนะคะบอกว่าช่วยผัวฉันด้วยช่วยผัวฉันด้วยคุณพ่อก็รีบถามมันอยู่ไหน ภรรยาของลุงพลก็ชี้มือไปที่คอกวัวค่ะที่อยู่เลยหลังบ้านไปไม่ค่อยไกลคุณพ่อก็รีบวิ่งตรงไปที่คอกวัวระยะห่างประมาณ19เห็นเท้าคนเนี่ยโผล่ออกมาจากคอกวัวทําให้คุณพ่อเริ่มใจไม่ค่อยดีก็เลยรีบเร่งฝีเท้าขึ้นอีกเท่าตัวปรากฏนะคะว่าเห็นเพียงแค่ส่วนเท้าโผล่ออกมาส่วนช่วงลำตัวแล้วก็ศีรษะเนี่ยถูกขี้วัวทับถมอยู่หลังจากนั้นนะคะคุณพ่อก็ได้แจ้งตํารวจแล้วก็เรียกตํารวจให้มาพอตํารวจ เข้ามาถึง ก็มาตรวจสอบสภาพศพค่ะก็พบว่าศพเนี่ยถูกจอบสับที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวหลายแผลซึ่งผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าตนเองกําลังทํากับข้าวอยู่บนบ้านสักพักก็ได้ยินเสียงสามีร้องเสียงดังลั่นเลยล้วค่ะก็เลยรีบออกไปดูปรากฏว่าเห็นสามีนอนคว่ำหน้าอยู่ด้านข้างมีผู้ชายร่างเล็กๆผอมๆซึ่งยืนถือจอบเตรียมจะฟาดซ้ําลงไปอีกตนก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามจนโดนผู้ชายคนนั้นนี่เอาจอบตีเข้าที่ศีรษะจนสลบไปซึ่ง จากการสอบสวนก็ได้ความนะคะว่าผู้ที่ลงมือฆ่าเนี่ยเป็นคนบ้าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาลงมือฆ่าลงมือทำไปเพราะว่าเขากลัวก็สาเหตุมาจากที่ชาวบ้านเนี่ยมักจะชอบพูดหยอกอยู่บ่อยๆว่าเดี๋ยวจะเรียกไอ้พลมาจัดการนะเดี๋ยวจะให้มันมาฆ่ามึงนะ เพราะว่าคุณพลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบรูปร่างรูปร่างใหญ่กำยำที่สุดในหมู่บ้านชาวบ้านก็เลยใช้ชื่อคุณพลมาหยอกล้อคนบ้าคนนั้นเพื่อที่จะให้ในเวลาที่คนบ้าเดินเข้าไปหาก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งให้เกิดความกลัวแล้วก็จะได้เดินหนีไปที่อื่นไกลๆตอนนั้นก็ประจบเหมาะพอดีกับที่คนบ้าเดินมาเห็นลุงพลกำลังนั่งหันหลังให้ก็เลยลงมือทันทีส่วนศพของลุงพลนะคะถูกตั้งสวดที่เถียงนา1คืนเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ย ไม่มีวัดชาวบ้านก็ไม่ให้นำศพผีไตหงเข้าหมู่บ้านด้วยคุณพ่อก็เลยต้องอยู่ช่วยงานศพทั้งวันกลับมาถึงบ้านประมาณสองทุ่มเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปจับกบเหมือนเช่นทุกวันแต่ว่าในใจก็นึกวันๆแล้วค่ะกลัวว่าเพื่อนสนิทจะมาช่วยกันจับกบเหมือนคืนก่อน แต่ก็ต้องทำเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อกับข้าวมาให้ครอบครัวกินคุณพ่อก็เลยคาดไปฉายไว้ที่หน้าผากเดินลัดเลาะไปตามคันนาคอยสอดส่องหากบที่มักจะชอบแอบอยู่ตามซอกใต้โพรงหญ้าจนเดินไปถึงปลายทุ่งนาแถวแถวตีนเขาจมูกก็ได้กลิ่นที่คุ้นเคยเหมือนทุกคืนค่ะนั่นคือกลิ่นสาบที่มักจะออกมาจากตัวของลุงพลคุณพ่อก็รู้สึกขนลุกขึ้นนะะในใจก็คิดว่า มันจะใช่จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่อุปทานไปเองแม้ว่าจะรู้สึกว่ากลัวนะคะแต่ว่าก็กลัวลูกเมียมไม่มีอะไรกินมากกว่าคุณพ่อก็เลยต้องพยายามข่มความกลัวแล้วก็ส่องไฟฉายหากบอยู่ในทุน่งนามืดๆคนเดียวสักพักหนึ่งคุณพ่อก็ได้ยินเสียง เหมือนฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังเสียงดังสวบสวบนะคะคือเหยียบกอหญ้ามาพร้อมกับกลิ่นสาบที่รุนแรงยิ่งขึ้นคุณพ่อก็เลยรีบหันไปดูทันทีค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคืนเดือนมืดแต่ว่ามันก็ยังพอมีแสงดาวแสงอะไรส่องลงมาบ้างปรากฏนะคะว่าเห็นลุงพลเนี่ยยืนนิ่งอยู่ในความมืดไม่ใส่เสือ้อแต่ว่าสะพายข้องจับกบในมือก็ถือฉกเตรียมพร้อมจะช่วยจับกบเต็มที่ห่างจากคุณพ่อไม่ถึง10เมตร คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยจะข่มความกลัวเอาไว้ได้มากแค่ไหนแต่ว่าภาพที่เห็นที่อยู่ตรงหน้าคุณพ่อนี่ก็ทำให้ตกใจสุดขีดรู้สึกได้เลยว่าผมบนหัวนี่มันกำลังชี้ตั้งขึ้นคุณพ่อก็รีบกระโดดลงไปในทุ่งนาค่ะวิ่งฝ่าต้นข้าวที่ยืนลำต้นสูงเท่าหัวแล้วก็ตรงดิ่งไปทางบ้านของตัวเองในจังหวะนั้น หูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยวิ่งตามหลังมาติดๆคุณพ่อก็เลยต้องรีบหันกลับไปมองด้วยความตื่นตระหนกนะคะภาพที่ทําให้คุณพ่อแทบจะเป็นเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยสติแทบแตกก็คือร่างของลุงพลเนี่ยแกวิ่งตามหลังคุณพ่อจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นสาบที่ชวนให้ฉุนจมูกคุณพ่อก็เอะอะโวยวายร้องลั่นทุ่งนาวิ่งสเปะสปะเกือบจะสะดุดคันนาล้มหน้าทิมโยนของทุกอย่างบนตัวทิ้งจนมาถึงเถียงหน้าที่บ้าน จังหวะนั้นเองนะคะคุณพ่อก็รู้สึกเย็นวูบขึ้นที่ไขสันหลังเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งปิเปียกเย็นๆสัมผัสโดนที่ท้ายทอยคุณพ่อไม่กล้าหันกลับไปมองค่ะกลัวว่าจะเจอภาพที่มันรับไม่ได้ยิ่งกว่านี้ก็เลยต้องรีบกระโดดขึ้นบ้านแล้วก็เข้าไปนอนตัวสั่นอยู่ในมุง้งคุณแม่ก็นอนกอดลูกอยู่ข้างๆโดยที่ไม่ได้ถามอะไรเพราะว่าเหมือนจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าพ่อเนี่ยไปเจออะไรมา เช้าวันต่อมาค่ะก็ได้มีการย้ายศพลุงพลเนี่ยไปที่ป่าช้าคุณพ่อได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ชาวบ้านฟังแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเลยสักคนก่อนจะฝังศพก็ได้มีการเปิดโลงเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแต่ว่าทุกคนก็ต้องตกตะลึงนะคะเพราะว่าเท้าของศพที่นอนอยู่ในโลงเนี่ยเต็มไปด้วยดินโคลนเหมือนกับว่าศพเนี่ยลงไปเลยเลุยโคลนมายัางไงอย่างนั้นก็เลยทําเอาชาวบ้านทุกคนงงงวยโดยเฉพาะ คุณพ่อที่ยืนเหงื่อแตกหน้าซีดเพราะว่าเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติแล้วนะคะคุณพ่อจะนั่งดื่มเหล้าอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านในตอนเย็นทุกๆวันแต่ว่าวันนี้ค่ะพ่อไม่กล้านั่งอยู่คนเดียวก็เลยขึ้นไปนอนกับคุณแม่ตั้งแต่หัวค่าจนเวลาประมาณสี่ทุ่มพ่อก็ได้ยินเสียงใครบางคนเนี่ยแหะค่ะมายืนเรียกอยู่ที่เถียงนาหน้าบ้านไอ้พลไอ้พลว้ยจะไปกันหรื อ, อยัง คุณพ่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจกลัวล้วค่ะดึงพ่อห่มขึ้นมาคุมปง่งนอนตัวสั่นเหมือนคนจับไข้พยายามจะขมตาหลับให้ได้แต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันทําให้คุณพ่อหลอนจนตาค้างเสียงเรียกมันอยู่แถวแถวหน้าเทียงนาแต่บางครั้งเสียงมันก็มาอยู่หน้าบ้านคือสลับกันไปสลับกันมานะคะจนคุณพ่อเริ่มทนไม่ไหวก็เลยคว้าขวดเหล้าข้างตัวขึ้นมายกดื่มเพื่อให้เหล้าเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการกล่อมให้หลับเป็นแบบนี้อยู่2คืนติด พอวันที่3คุณแม่บอกกับคุณพ่อว่าทนไม่ไหวแล้วอยากจะขอเอาลูกเนี่ยเข้าไปนอนในหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่กลัวผีมากแต่ว่าก็ต้องจําเป็นนะคะที่จะต้องให้ไปเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ส่วนว่าคุณพ่อจะต้องนอนเฝ้าที่เถียงนาถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพวกเป็ดไก่วัวควายที่เลี้ยงเอาไว้ก็คงไม่เหลือแล้วก็ในช่วงเย็นของวันนั้นเองค่ะหลังจากที่คุณพ่อทานข้าวเสร็จก็รีบยกเหล้าขึ้นดวดทันทีเลยจนพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าคุณพ่อก็หิ้วขวดเหล้าขึ้นไปบนบ้านจุดตะเกียงนั่งดื่มเหล้าต่อเพื่อให้มันเมาจนหลับไปให้ได้คุณพ่อมารู้สึกตัวตื่นประมาณ 6โมงเช้าเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเริ่มแยงตาหัวหมุนติ้วเลยนะคะเพราะว่าพิษของสุราที่ดื่มเข้าไปเยอะจัดเมื่อคืนคุณพ่อก็เลยมองดูรอบๆตัวก็ต้องรู้สึกว่าตาสว่างขึ้นมาทันทีเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวหลังจากพบนะคะว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านข้างขดูดข้างตัวเองก็มีขวดเหล้าอยู่ขวดนึงพร้อมกับแก้วเหล้าสใบ คุณพ่อก็เกิดอาการช็อกนะคะกับสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ตรงหน้าว่ามันมีขวดเหล้าแล้วมันก็มีแก้วเหล้าสองใบนะคะพอสักพักหนึ่งคุณพ่อถึงดึงสติกลับคืนมาได้เหมือนเดิม คืนต่อมาค่ะพ่อก็เลยตัดสินใจไม่ดื่มเหล้าทานข้าวเสร็จก็เอาเป็นว่าขึ้นบ้านนอนเลยละกันเปิดวิทยุกล่อมให้มันง่วงจนเวลาย่างเข้าช่วงดึกก็ปิดวิทยุนอนค่ะในจังหวะที่กำลังเคลิ้มอยู่นั้นนะคะได้ยินเสียงคนเดินมาแต่ไกลแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านสักพักใหญ่ๆต่อมาก็ได้ยินเสียงดังเอียดเอียดนะคะซึ่งเป็นเสียงที่คุณพ่อคุ้นหูมาก เสียงนี้เนี่ยคือจะได้ยินเฉพาะตอนที่นั่งเปลยยวนใต้ถุนบ้านคุณพ่อก็เลยตะโกนไปด้วยเสียงสั่นๆว่าเฮ้ยตายไปแล้วก็อยู่ใครอยู่มันสิวะกูกลัวสักพักเสียงนั้นก็เงียบลงค่ะทำให้คุณพ่อรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกชื่ออยู่ใต้ถุนบ้านมึงจะไปไมไอ้พล ได้ยินดังนั้นคุณพ่อหันรีบคว้าขวดเหล้าข้างตัวขึ้นมากระดกทันทีเลยคือคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยยังมาอีกจะขอไปตายอดาดับหน้าที่กรุงเทพดีกว่าขืนอยู่ต่อแบบนี้เนี่ยมีหวังเป็นบ้าไปอีกคนแน่นอน ช่วงเย็นของวันต่อมาหลังทานข้าวเสร็จคุณพ่อก็รีบขึ้นไปนอนบนบ้านเหมือนเดิมพระอาทิตย์เพิ่งจะรับขอบฟ้าได้ไม่นานเสียงเดินของใครคนนึงดังขึ้นตั้งแต่ที่หน้าเทียงนาเดินมาจนถึงใต้ถุนบ้านค่ะแล้วก็มานั่งลงที่เปรย์วนเหมือนเดิมเสียงก็ดังเหมือนเดิมเป็นเอียดเอียดเอียดนะคะวันนี้คุณพ่อคิดว่าอืมเป็นไงเป็นกันส่องลงไปดูใต้ถุนบ้านค่ะผ่านซีไม้กระดานซึ่งที่ คุณพ่อเห็นเนี่ยมันทำให้คุณพ่อบอก ชอกแทบจะหยุดหายใจนั่นก็คือร่างของลุงพลค่ะนอนหมุนมือตัวเองเล่นอยู่บนเปลยวนแล้วก็จ้องขึ้นมาหาคุณพ่อผ่านทางซี่ไม้กระดานตัวดําคล้ํากว่าปกติมากเหมือนคนที่กระดมแดดอยู่ทุกวันหรือคล้ายคลยกับผิวหนังที่กําลังจะเน่าอยู่เต็มที่แล้วแล้วก็ได้กลิ่นสาบรุนแรงลอยผ่านซี่ไม้กระดานขึ้นมาจนคุณพ่อต้องพังะหหน้าลุกขึ้นแล้วก็กระโดดเข้าที่นอนด้วยความกลัวค่ะจากนั้น หูก็ได้ยินเสียงลุงพลตะโกนขึ้นมาบอกว่าไอ้พลกูตายแล้วมึงดังเกียรดกูหรอพร้อมกับเสียงไกวเปนะคะดังแบบเอียดเอียดเอียดเหมือนเดิมคุณพ่อก็เอาแต่นอนตัวสั่นพนมมือไหว้สวดมนต์อยู่ใต้พผ้าหม่มจนเสียงเปเนี่ยค่อยๆเงียบหายไปสักพักใหญ่ๆคุณพ่อก็เลยอยากรู้นะคะว่าผีลุงพลเนี่ยไปแล้วหรือ ย, ยังก็เลยค่อยๆ ค, คลานลงมาดูตรงไม้ซี่กระดานเดิมก็พบว่า ไม่มีอะไรแล้วนะคะขณะนั้นคุณพ่อก็กำลังจะเงยหน้าขึ้นมาจากพื้นไม้กระดานแต่แล้วในเสี้ยววินาทีนั้นค่ะก็ได้ปรากฏเป็นใบหน้าของลุงพลพุ่งเข้ามาแนบชิดติดกับพื้นไม้กระดานฝั่งใต้ถุนบ้านลูกกระตาเนี่ยขาวขุ่นเลยจ้องมองขึ้นมาหาคุณพ่อเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้คุณพ่อรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็2โมงเช้าเพราะว่าคุณแม่เข้ามาปลุก คุณพ่อมีอาการไข้ขึ้นจึงได้ให้คุณตาเนี่ยเอารถมารับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อรักษาตัวอยู่ประมาณ2วันจนอาการเริ่มดีขึ้นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยต้องเก็บเสื้อผ้าหนีเข้ากรุงเทพทันทีและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดค่ะสําหรับข้อคิดก่อนจากกันในวันนี้อย่าได้ไปล้อเล่นอะไรกับคนที่สติไม่ค่อยดีเพราะว่าผลที่มันจะตามมามันอาจจะเลวร้ายในแบบเรื่องที่ท่านได้ฟังข้างต้นนี้ก็เป็นได้ค่ะ